เราอยู่ทั่วทุกทุนน้ำทุกมหูลิห์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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الل ي لا ي ل ا يدور ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء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 سبحان ا ل a ه و a ح م د ه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ا พี่น้องที่ร่วมนมาุบที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามตัซีอัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านนะครับทุกทท่าน ุ ل ح ล د لله เราต้องขอบคุณ a ุ l สุ س ب ح ا ว ه ต ت ع าการขอบคุณล l l a h นั้นมีประโยชน์นะครับทำให้หัวใจของเราเนี่ยสงบวันนี้ในสังคมเนี่ยหัวใจไม่ค่อยสงบจะให้หัวใจสงบเนี่ยทำไม่เป็น หลายคนทำไม่เป็นเอ๊ะทำไงทำหัวใจสงบไปกินเหล้าไปทำซีนาเข้าบาร์นาคลับไปเที่ยวใช้หาดไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นวิธีทำให้หัวใจสงบก็มีอยู่ทางเดียวก็คือนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวดาล้ใครให้รูปแบบนี้คือท่านนาบีมุฮัมมัด สโลลลอในมุสลัมให้รูปแบบนี้วันนี้นะครับเป็นวันอะไรอ่ะุอ่านสุรอังกระบูนจบพอดีวันนี้นะแค่สามอาญาสุดท้ายสูรอังกระบูงกระบูนนี่แปลว่าแมงมุมพี่น้องอัลลอฮ์เล่าเรื่องแมงมุมไว้นในห้องในบ้านของท่านนี่แหละให้ท่านพี่น้องมองดูแมงมุม ต่อ ก, การจะอธิบายว่าใครที่ไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้วางใจอย่างกับพี่น้องมุชริกในนครมะ ก, กาเนี่ยในสมัยก่อนพัน0 0รปีเนี่ยเขาก็ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นที่กราบไหว้เป็นที่ไว้วางใจเป็นที่พึ่งทงใจพี่น้อง ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับแมงมุมหรือว่าใหญ่แมงมุมบ้านแมงมุมอย่างนี้เป็นต้นนี่คุณอ่านเตือนนะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องนิยายหรือว่าเรื่องเล่าให้ฟังไม่ใช่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เกิดมาก็จริงแล้วก็ตายก็จริงแล้วก็ฟื้นมาก็จริงทั้งหมด มาชเรื่องเล่นๆแตนั้นชีวิตเราจะปล่อยเล่นๆไม่ได้นะครับขอบคุณนวลนะที่เราได้ทบทวนอัลกุ ร, ารอานสุร้ออังกบุษเนี่ยวันนี้เป็นอายาที่67 68, 69, สิบเจ็ดหกสิบหกสเามอายาเนี่ยเป็นอายาสุดท้ายของสุร้ออังกบุษนะครับทีนี้ก่อนจะอธิบายก่อนที่จะอ่าน คุณอานอายะสามมายานีอยากจะอ่านหะดิษให้ท่านพี่น้องฟังนะคือท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่สรุปชีวิตของสัฮาบานนบีแต่ละคนแต่ละคนได้เลยอัลลอฮ์ให้ความสามารถกับนบีเนี่ยสูงมากผมจะนำเอามาสักสามคนนะพอเวลาจำกัดท่านนบีเนี่ยได้สรุปชีวิตของท่านอบูบาการ สรุปชีวิตนะท่านอบูบักนั้นเป็นอารฮามุอุมมัตีบิอุมมัตีอบูบักท่านนบีนะกล่าวว่าท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเมตตาอบอ้อมอารีสงสารอุมมะของฉันในอุมมะของฉันนี่ไม่มีใครที่จะมีหัวใจที่อบอ้อมอารีสงสารเมตตาคนมันไม่มีแล้ว พระนบูรพาเป็นบุคคลที่ดีที่สุดทําไมต้องสายว่าอุมมาติบีอุมมาติคือสงสารคนบางคนเน่ยสงสารแมวอย่างเดียวไม่สงสารคนมีไหมสงสารหมาสงสารแมวสงสารสัตว์ทุกชนิดแต่คนนี่ไม่สงสารเลยบางทีก็เตะบ้างอะไรบ้างแต่กับสุ น, นัขเนี่โอโ้กับนกเขาเนี่ยโอ้โหย ไม่ยอมสูบุรีต่อหน้านกเขาควรนกเขาจะเป็นวัดแต่กับคนนี่พนแล้วพูดอีกจนกระทั่งบางคนป่วยนะพาะพี่ชายสูบุรีน้องสาวป่วยนี่ข่าวนี่มาหาผมแล้วแย่มากคนที่สองไซดินาอุมัดท่านนบีสรุปชีวิตนะว่าชัดดูฮุมฟีอัมริลลาฮีอุมัด นบีชมนะไซนาอุมัรเนี่ยเป็นบุคคลที่เข่งครัดคำสั่งของอัลลอ์ที่บอกผ่านนบีนบีอามาสอนเนี่ยแข็งครัดหมดเลยทุกคาสั่งใครครับไซเดนาอุมัรเราดีอัลลอฮวาห์มานะครับคนที่สามวอัสดาคูฮุมฮายาอันคนที่สามไซนาอุสมานคันอุสมานเนี่ยเป็นคนที่มีความละอายสูงมาก นะครับก็เนี่เล่าว่าท่านพี่น้องฟังแค่นี้เองนะนะครับทนี้มีอีกเรื่องหนึ่งลูกสาวนาบีลูกสาวนาบีนี่นะมีอยู่สองคนรุกกอยะรอดิัลลอฮฺวานเธแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะอุมมักุลซูมเป็นลูกสาวของท่านนาบีรู้ไหมแต่งงานกับใคร มกืก่อกเนี่ยแต่งงานกับคนกาเฟ่แล้วเลิกเลิกเลิกเลิเลแล้วก็มาแต่งกับท่านไซดีนาอุสมาน ร, รดิยาลอวานนี่วันหนึ่งนบีเนี่ยไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านไปเห็นไซดีนาอุสมานเนี่ยลูกสาวนาบีเนี่ยกำลังสะผมกำลังอะไรนะสะผมให้สามีไอ้เราก็นึกโอ้โหลูกสาวนาบีตำแหน่งใหญ่จะตายไป ทำไมไปนั่งสาผมไปสามีก็หน้าที่ของภรรยาต้องเอาใจสามีดีได้ไม่ดีอันทำไปแล้วที่านาเรื่องนี้มาต้องการจะให้พวกเราเนี่ยนะต้องยอมเราว่าแล้วก็นบีพอใจมากนาบีเข้าไปนบีพอใจนบีก็บอกกับลูกสาวนาบีบอกว่ายาบุญใย้ลูกลูกสาวของฉันเอ๋ยอซศนีจงทําดีกับสามีของเธอเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยนะ ถ้าภรรยาเนี่ยรู้จักหน้าที่ทําอะไรบ้างไม่ควรทําอะไรบ้างอยู่ในบ้านเนี่ยควรจะผูกจ้ากับสามีดีดๆีน่ะไหมแต่งตัว ส, สวยๆ ส, ส, สะอาดๆแล้วก็แพรงฟันเนี่ยไหมร อ, อพี่รองค่าขามีความสุขไในครอบครัวที่ความสุขนี่น บ, บีสั่งลูกสาวให้ทําดีกับสามีให้ดีกัแน่นองสัญญาอุสมานฟังศาสนาอยู่แล้ว ไม่เคยตบภรรยาไม่เคยดาะยะ่าภรรยาไม่เคยตวาดภรรยาดูแลเอาใจใส่ภรรยาอย่างดีเนีย่ยถามว่าอัลลอฮ์ไม่พอใจหรืออัลลอฮ์ก็พอใจเอาับวันนี้มาอยายะที่ห7สบเจ็ดอายะของสุรอังกระบุนนะครับอวลามยาราวอันนาจัลนาฮารามันอามินาวยุตข طاف الناس من حولهم أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أو لم يروا أن ا جعلنا حرم ا آمنا <تصفيق> วายุตาขับต่อฟุ่นนัสุมิห์ฮาวุลิมอาฟาบิลบาติลยุมินุนวับินิยามติอัลลอฮิยักษ์ฟุรุนอัลฮัมดุลิลละอันนี้นะครับในองค์อัลลอฮ์ประกาศในคัมภีร์คุรานนะสาเหตุที่ประกาศระยะนี้เนี่ เพราะว่านบีเนี่ยสอนศาสนาใช่ไหมนบีอัลลอฮฺไม่จะส่งมาทำงานอื่นนะมาสอนศาสนาอย่างเดียวมาตับลีกดาว่าเรียกร้องคนให้รู้จักอัลล อ, อับอัลลอมีองค์เดียวนะแต่นี้พวกพี่น้องอาหรับมุสลิกเนี่ยบอกว่าฉันรับอิสลามไม่ได้ฉันเนี่ยจะรับอิสลามน่ฉันรับไม่ได้เพราะว่าคนที่แอนตี้อิสลามเยอะมากคนที่เกลียด อิสลามเยอะมากเยอะมากเลยถ้าฉันรับนี่นะฉันนี่จะต้องถูกลักพาตัวบ้างถูกฆ่าบ้างถูกอะไรต่ อ, อะไรแบบไทยอ่ะไซนาบีล่านใช่หรือไม่ใช่ใชถูกลากบนหินร้อนๆเนี่ยถ้าฉันรับอิสลามฉันต้องถูกรังแกแบบนี้แหละท่านฉันจึงไม่รับอิสลามแล้วก็ถูกลักพาตัวถูกฆ่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺประธาอัลกุรอานลงมาให้ท่านนาบีมุฮัมมัด เรื่องนี้เรื่องแผ่นดินในนครมักกะเนี่ยทั้งหมดเป็นที่ห่วงห้ามแล้วก็ปลอดภัยในโลกมีอยู่แห่งเดียวในโลกครไปอยู่ที่ไหนนะในนครมักกะบริเวณก็มีนี่อย่ว่าหลายคนนี่ไปทำพัดเนี่ยรู้สังเกตดูจะอ่ออันนี้ไม่ใช่มุสลิมห้ามเข้าใช่ไหมมีบริเวณอยู่ในนครมักกะเนี่ย อัลลอฮ์ทำให้นครมั ก, กานะทั้งหมดตรงนั้นนะเป็นสถานที่ห่วงห้ามเขาเรียกว่าฮารอมแล้วก็อามม น, นั้นแล้วก็ปลอดภัยจากการฆ่ากาันปลอดภัยจากการลักพาตัวแม้จะตัดต้ดตนมตด ไ, ดไม้ตัดได้ไหมนครมั ก, กาตัดไม่ได้ด่ากันนะแ อ, แอบด่าก็พอไหวเนี่ยนะนะตัดต้นไม้ได้ไหมล่าเนกได้ไหมยิงสัตว์ได้ไหมไม่อนุญาตให้เด็ ทุกคนให้เกียรติกับสถานที่หมดเลยฉะนั้นที่คุณอ้างว่าเดี๋ยวจะถูกลักพาตัวถูกฆ่าเนี่ยโกหกมาดูคนอ่านนะครับอาวะลัมยาเราอันนาจารนาฮารอมันอามีนาพวกเขาอาวะลัมยะเราแปลว่าพวกเขาไม่ได้ สังเกตดูหรื อ, อพวกเขาไม่เคยมองดูหรือพวกเขาไม่เคยเห็นหรือพออัลลอฮ์ให้ตามาเนี่ยเคยสังเกตเปล่าเคยมองหรือเปล่าอันยาอันแท้จริงเรามายถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้ทำยาแล้วแปลว่าได้ทำฮารอมันเขตห่วงห้ามฮารอมนี่แปลว่าเขตห่วงห้ามเฉะนั้นในนครมักกะเนี่ย เราเรียกในเต็งบากว่าเป็นไรนะเป็นฮารอมอ่าเป็นฮารอมเป็นฐานที่ห่วงห้ามไม่ใช่ห้ามธรรมดาด้วยนะอามินันปลอดภัยอามินันแปลอะไรนะแปลว่าปลอดภัยคําว่าปลอดภัยเนี่ยอุลมะได้อธิบายนักตัมเซตอธิบายบอกว่าปลอดภัยจากการฆ่ากัน ปลอดภัยจากการลักพาตัวปลอดภัยจากการออทำร้ายร่างกายเนี่ยปลอดภัยหมดเลยสบายใจเลยลเราทำตัวแล้วและมีอยู่แห่งเดียวในโลกใช่หรือไม่ใช่ถึงจะมีคนคุมการประทานาทรีดีขนาดไหนก็ตามในโลกอลัลลอฮฺไม่รับผิดชอบแต่ในนครมักกะแห่งเดียวอลัลลอฮฺรับผิดชอบมีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ไหมล่ะที่พวก เยเมนอากษัตริย์เยเมนเนี่ยต้องการที่จะมาทำลายกะบะพากองทัพช้างมาใช่ไหมอัลัมตะรไกฟะฟาอัลลอฮฺบุกะบีอัลฮะบิลฟีลไม่เคยสังเกตหรือไม่เคยเห็นหรืออลัลลอฮฺเนี่ยพุทธพุทธิ์มาส่งกองทัพช้างมาวนะะสาลอนลัยฮิมตอยรัลลอฮฺได้ส่งนกไหม อโ ล, ลนกกับกองทัพช้างนมันต่างกันนั่นเยอะแต่นกทําลายเตียนหมดเลยนั่นอโ ล, ลคุ้มครองใช่ไหมนี่ไงเพื่อทำการจะอธิบายว่ายานาฮารามันอาเม น, นสถานที่ในนครมากาเป็นสถานที่ที่หวงห้ามแล้วก็ปลอดภัยจากการทําลายจากการฆ่ากัน อย่าลืมนะไอ้กองทัพชางนะไปตายที่อื่นนะมันหนีกลับบ้านมาล้วก็ไปตายระหว่างทางหมดเลยเอาลอดูแลวันนี้อย่ามีคนศัตรูมิสลามหลายคนวางแผนที่จะยึดนครมกะมีไหมมีครับเพราะอานาญานีสุรนีลัลลัมตอโลกายฟาลารบุกะบิอัาบิลฟิวาเลยจะปลอดภัยหรือเปล่าเราชันเนี่ยอมาเชื่อลองดู ท่นี้เนี่เราสัญญาณนะครพี่คุอ่านบอกกับนบีมุฮัมมัดเอยใครที่ไม่กล้ารับอิสลามกลัวว่าคนนั้นจะฆ่าคนนี้จะฆ่าจนถูกลักพาตัวอะไรก็าตามแต่สบายใจได้เลยคุณไม่เคยเห็นหรืออินนันนาจัลนาฮารมันอามินันแค่จริงเราได้ทำให้ในนครมะกาเนี่ยนะครับเป็นเขตทั้งหมดนั้นเป็นสถานที่ฮารมเป็นเขตห่วงห้าม อมีนั้นที่ปลอดภัยปลอดภัยจากการฆ่ากาันปลอดภัยจากการลักพาตัวต่อการจากการตัดต้นไม้ล่าสาัตว์ในนครมากันไม่ได้อย่างใดครั้อัลฮัมเบลิลละตุลลงามีอยู่ในโล ก, ม, กมีอยู่แค่แห่งมีอยู่แห่งเดียวอลัลลอฮฺดูแลนะไอแหล่งอื่นๆใช้คนดูแลคนมันก็มีเผลอบ้างมีหลับบ้างใช่ไหมอัน น, นี้เป็นต้น เอาต่อมาวายุตาข้อ ต, ต้อฟุนนะสุมินハウลิหิมยุตาขอตอเนี่ยแปลว่าถูกลักพาตัวยุตาขอต้อเนี่ยแปลว่าถูกลักพาตัวคือเอาไปแบบวัยวันี่ยจับพับเอาลอยประกันเลยนะการลักพาตัวในนครมักกะมีหรือไม่มีไม่มีครับแต่ที่อื่น แต่ที่อื่นมีไหมมีครับแต่นครมา ก, กาไม่มีครับเอาดูกุรอ่านวายุตะคอกะฟุลนาซูมินฮาลิฮิมและถูกลักพาตัวอันนาหมายถึงประชาชนมินฮาลิฮิมฮาลุนแปลว่ารอบรบรอ บ, รอ บ, ร, อบรอบนครมา ก, กาเนี่ยจะเป็นประเทศไหนก็ตามมีโอกาสจะถูกฆ่ามีโอกาสจะถูกลักพาตัว มีโอกาสที่จะทําร้ายร่างกายมีได้ตลอดเวลาออย่างที่อิรักที่บุชไปทําลาย <S <S ใช่ไหมนั่นอยูอย่รอบรอบใช่ไหมรอบรอบรอบกบาบะใช่ไหมน่นรอบมักกะแค่นั้นในซีเรียมีไหมมีเนี่ยมีฆ่ากันอะไรกันเนี่ยร้อนสุดพูดเอาไว้รอบรอบมักกะนั้นมีแต่เหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์ แต่ในมักกะในกาบามีไหมไม่มีเพราะอัลลอฮ์รับรองหลัการพิสูครานอัลฮัมดุลิลต้องกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลเป็นคามิตาของอัลลอฮ์ตุบฮานะฮุวะตางลอันทีนี้คุรานอธิทายต่อไป อ, อัฟบิลบาติลยุมินุนอัลบาตินแปลว่าความเท็จ ของเท็ดเท็ดยุมินูนพวกเขาศรัทธาพวกเขายังศรัทธาต่อความเท็ดกันนั้นหรือในเมื่อเราตาลาประกาศ ร, ราว่าเมืองในโลกนี้มีอยู่แห่งเดียว ที่อัลลอฮ์รักษาไม่ให้มีการไม่มีสงครา ม, ไ ม, มาราารไม่มีการฆ่ากันไม่มีการรักพาตัวแล้วคุณยังมองว่าอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องเท็ตอีกหรือคุณยังมองว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องโกหกหรือการแต่งตั้งนบีมูฮัมมัดมาเป็นเรื่องเท็ตหรือการประทานอัลกุรอานลงมาเป็นเรื่องไม่จริงหรืออัลลอฮ์มีไม่จริงหรือ จากตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นเป็นเรื่องจริงคำสอนของอิสลามแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะไม่มีอะไรโกหกเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคุณยังไปสัทจาในสิ่งโกหกอีกหรืออย่างครับเนี่ยเราเตือนเตือนคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนัตลาบีไม่เอาอัลกุรอาน แล้วก็คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในาศาสนาเนี่ยแค่อ่านอายะนี้อายะเดียวนี่ยเพื่อยังคิดอะไรไม่ออกเลยหเห็นไหมครับฉะนั้นพี่น้องมุสลิมอ่านอัานคุรานต้องได้ข้อคิดนะเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพราะาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆเมื่ออัลลอฮ์ดูแลนะครมักกะก็ดูแลจริงๆดูแมจกะทั่งถึงวันกียมรตินาะ ด่างนี้เป็นต้นเลยนะครับเอาต่อมาครับว่าเนเนือมาติลลยักฟูรุนเนื้อมาแปลว่าความโปรดปรานความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเขายักฟูรุนในเราคุณโอ้คำนี้อธิบายได้เยอะมากเลยเอาการที่เรามานั่งอยู่ในมัสยิดนี่ถามว่าเป็นเนื้อมาหรือเปล่าเป็นเนี้อมา ทีเราตื่นนอนแล้วก็หลับไปเมื่อคืนนี่เป็นเนี่ยมาใช่ไหมแล้วพอลืมลืมตาขึ้นมาน่ขอบคุณและรเปเบาบางคนก็ไม่ต้องขอบบางคนขอบเพราะว่าเขาฟังเขาฟังศาสนาอัลลอฮ์ฉันต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วนบีสั่งมดเลยนะเวลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอัหฮยานา บาดามาอามาตนาไวไลหินโชุดขอบคุณอัลลอ์ที่เอาล่องให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้นิ่มสอนให้เรานอ บ, น, อ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนใช่ั้มกับอัลลอฮ์เหมือนกันเวลามนุษย์อย่างที่เราโมนตะกี้นะท่านนับีเข้าไปในบ้านลูกสาวเห็นลูกสาวก็ลังสาผมเนี่ยต้องขอบคุณนระขอบคุณสามีเนะพราะเขาเอาเงินมาให้สร้างบ้านให้ อะไรตา อ, อะไรดูดูแลหมดทุกอย่างเลยจะนั่นจะนั้นต้องการปฏิบัติ ด, ดีกับคนอัลลอ์ยังพอใจและปฏิบัติ ด, ดีกับอนะัลลอ์เนี่ยอัลลอ์จะไม่พอใจหรอยังมีเป็นเติาอาฟาบินอามะติลฮิยักฟรุนี่อัลลอ์ถามนะความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยวกเขายังเนรคุณกันนั้นรือฉะนั้นเป็นองค์ับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเนรคุณต่ออัลลอฮ์เลยฉะนั้น ขึ้นรถขอบคุณอัลลอ์ลงจากรถขอบคุณอัลลอ์กินข้าวอิ่มแล้วว่าไงอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮุอักูอ่กินน้ำอัลฮัมดุลิลลาก่อนจะกินบิสมิลลาอย่างนี้นจะใส่เสื้ออัลฮัมดุลิลลาต้องขอบคุณอัลล์ทุกขั้นตอนใช่หรือไม่ใช่เอาข้าวของน้ำต้องขอบคุณไหมนี่มีข่าวมาว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่เป็นผู้หญิงล้มในห้องน้ำ วันซื้อเนี่ยลมในห้องน้ำเราอาการหนักสาเหตุที่ลมในห้นองน้ำเราเม่เพราะอะไรเพราะอะไรครับอย่าลืมนะนบีสั่งนะก่อนเข้าห้องน้ำเนี่ยให้เข้าโดยเท้าไาว้เท้าซ้ายเราเน้นอย่างนี้สม่เสมอเพราะมันเป็นอัคลาแล้วก็ชัยตอนอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องน้ำ เวลาล้มในห้องน้ำเนี่ยช้ยตอนมันแกร้งด้วยแล้วก็หนักครับอาการหนักมากเพราะฉะนั้นพี่น้องท้หลายสุนนา น, นานบีแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆ อ, อธิบายได้จะไมมีมีชายอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ต่อหน้านาบีกินข้าวโดวยมืออะไรมือซ้ายนาบีว่าเปลี่ยนกินมือขวาสิแลชายคนนี้ค้านเนว่าฉันไม่ถนัด นบีพูดเลยตั้งแต่วันนี้ไปคุณใช้มือขวาไม่ได้อีกต่อไปไปอะไไ ป, ไปอนาพภาตเลยเห็นอย่างก็ไปฝืนสุนนะนบีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนมากินมือขวาตามที่นบีสั่งนะวันนั้นกินอาหารามือขวาได้เลยอย่างไม่กินต้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สุนนะข้อหนึ่งนํามาไปปฏิบัติบรารกัรให้กับตัวเองไม่ใช่ได้กับคนอื่นนะได้กับตัวเองนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น ว่า บ, บินนี่อามติลเฮฟุลพวกเขายังเนรครุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กันนั่นหรืออีกหรือนี่อัลลอฮ์ถามให้ใช้ปัญญาบ้างต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบภานหัวนาลดะอย่าลืมนะดุอานะการนี้แต่ถ้าเร า, า, า, าท้องดุอาเยอะๆเนี่ยอินชา่อัลลอฮ์ดีมากเลยขอลาอย่างนี้วันนี้ไปเยี่ยมคนป่วยนะ เวลาไปเจอคนป่วยอาการหนักๆเนี่ยเราอยากเป็นเหมือนเขาไหมไม่อยากเป็นครับต้องขอทุกอานะอัลฮัมดุลิลลอฮิลลาดิอัฟาเนีมิมมะบตะลากะบิฮิฟัตบัลนิอัลลาคาเซริมิมมันขอล้ก็ตาคุีลต้องขอทุอากันเอาไว้และอัลลอฮ์จะไม่ให้เราเนี่ยเป็นโรคเหมือนที่ญาติยี่น้องเราเป็นรถชนกลางถนนก็เหมือนกัน เราขับรถไปไปเจอหรือนั่งรถไปไปเจอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่อยากถูกชนกลางถนนเลยเพราไปตายกลางถนนเราอยากตายบนบ้านตายกำลังนั่นมาอยู่ไม่ดีหรือตายกำลังคล้องชุดอิทรอมดีไหมเราอยากตายแบบดีๆใช่ไหมล่ะแต่ไปตายกลางถนนอ๋อขอดวอาครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮอัลลนีมิมมับตตาลากะบิฮิอัลลอฮัลลอฮลาอฮิอัลลอฮิอัิอมิอัลลัลลอละอัล อัล์จะปกป้องเราไม่ให้ตายกลางถนนหรือว่าถูกอะไรกลางถนอนอยา่างดีตัวนนะครับอัลฮัมดุลิลลัลปิโนงพี่ น, นมีอยู่คนหนึ่งนะที่แอนตี้อิสลามลูกชายอบูจาฮัลอบูธานญาตินบีหรือเปล่าลุงลุมลูกชายชื่ออัครีมะวันที่นบี มา ย, ยึดนครมักกะเนี่ยลูกชายอบูยุฮันวันนั้นยังไม่รับอิสลามนะหนีจากนกครมักกะไปชายชายทะเลเลยแล้วก็ลงเรือจะไปเมืองฮาบชชฉันไม่อยู่แล้วพ่อมุฮัมมัดเเรียกร้องให้ให้กราบอัลลอฮ์ฉันกราบรูปเจวเวตตั้งสามสี่ร้อยไม่ดีกว่าเลยนี่เป็นต้นทีนี้ ลูกชายของอบูยะฮันเชืงอัคริมาเนี่ยพ้นลมเรือเนี่ยพอมันเรือออกไปกลางทะเลเนี่ยเรือมันจะอับปางลมพายุมาแล้วคนในเรือทุกคนเนี่พูดเหมือนกันหมดเลยต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิ่งอื่นช่วยไม่ได้อัคริมานี่ก็บอกว่าฉัน น, นั่นหนีอัลลอฮ์มาจากมะ ก, การเนี่ยยังมาเจออัลลอฮ์ในเรืออีกเลยเนี่ยเอ๊ะอะไรกันเนี่ย กูซาหนีอัลลอฮ์นะไม่เอานาบีมุฮัมมัดไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดน่ะสอซึ่งอัลลอฮ์จริงท่า น, นไม่เชื่อหนีจากนาครมากการมาเดินลงเรือมาเจออัลลอฮ์ในเรืออีกคนสุธากลับอกลับ ก, บกบ็มารับอิสลามเห็นยังครับเพแคะนั้นในโลกใบนี้เนี่ยนะถ้าเราเอาประวัติศาสตร์ของคนในยุคนาบีนเนี่ยมาเล่าในเรื่องเยอะมากครับทำให้เราทำให้อิมานของเราเนี่ยเพิ่มทูนอยู่ตลอดเวลา เอาต่อมาครับพี่น้องเดินเดินการเดินต ว, วาร์บเนีเน่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมถ้าเดินต ว, วารผิดที่เนี่ยเป็นเรื่องโกหกหรือเรื่องปลอมเดินตะ ว, วาร์บโตตะเกียรได้บ้าง <c oughs> <c oughs> เดินต ว, วาร์บโตระยองได้บ้าง <c oughs> ไม่ได้จํานด้นฉันตะ ว, วารมีอยู่แห่งเดียวต ว, วารบใบตุ่นเราตอนนั้นอย่างอื่นตะ ว, วารไม่ได้เลยเอาครับเอาต่อมาครับ <c oughs> อายะที่อะไรนะมีอธิบายต่ออีกนะเนี่ยมัดของอัลลอฮ์เนี่ยเนี่ยมัดของอัลลอฮ์มีมีอะไรบ้างท่านอิบนาอับบัสอธิบายบอกว่าอาฟาบินิยะมัติลลัฮิวะบินิยะมัติลลัฮิยักฟูรุนพวกเขาอย่างเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์อีกหรือ ความโปรดปรานของอัลลอฮ์มีมีอะไรบ้างอาฟิยตินแล้วอัลลอฮ์เนี่ยอภัยจโทษให้นี่มันเรื่องใหญ่นะอภัยโทษให้กับทุกคนนะั่นแหละคนที่นี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยจโทษเนี่ยถ้าคนนี้นะเราลงโทษทุกวันนะนั่นเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ Allah, อัลลอฮ์อภัยโทษให้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องที่สอง อัลลอฮ์เนี่ยให้โดยที่เราไม่ได้ขอเราเคยนึกบ้างหรือเปล่าหูตาจมูกเทา้าเคยขอไหมละ่ะไม่เคยขอาศาสนาอิสลามเราเคยขอไหให้อยู่เนี่ศาสนาอิสลามไม่ตายแต่แาศาสนาอิสลามาไม่เคยขอครับคุณนะ้าเนี่อัลลอฮ์จาราเนี่ยให้นะนี่เป็นเนี่ยามัดอันยิ่งใหญ่ข้อที่สามนะครับ สิ่งที่ท่านนาบีนะครับนำาอามาสอนทั้งหมดนี่เป็นเนื้อมัดเนี่ยอลุลมาอธิบายนะเนื้อมดัดข้อหนึ่งก็คือสองของที่นบีคําสอนที่นบีนำอามาสอนทั้งหมดนั่นเป็นเนื้ามัดหมดเลยครับอะไรบ้างของที่นบีสอนสอนสอนสอ น, สอนเป็นเนื้มัดหมดเลยนะนั่งยังไงนอนยังไงคุยกับคนยังไงอัลลอฮฺอับัส สอนหมดเลยเนี่ยนี่เป็นเนี่ยามัดเราจะต้องก็เรียกว่าฮูดาเป็นทางนาที่อัลลอฮฺพึงพอใจต่อมาข้อข้อที่สี่นะครับอัลลอฮฺให้อาหารให้ริสกีเนี่ยให้เครื่องดื่มอาหารให้ออกซิเจนอากาศนี่เป็นเนียอามัดต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานา ห, าหวาุวาตาล้นะครับเรื่องใหญ่นะถืลรวมว่าเ น, นี่ยมัดมีอยู่ถึงหมดทั้งหลานะมีอยู่สี่ข้อนะข้อที่หนึ่งการให้อาภายัย การที่อัลลอ์ไม่ลงโทษนะครับนี่เป็นนิ้อ a h m a ข้อที่สองอัลลอ์ให้หูตาร่างกายนะครับโอ้ให้ชั้นฟ้าแผ่นดินเราไม่ได้ขอเลยนะนี่มันเป็นเนื้อ a h m a อันที่สามสิ่งที่ท่านบลบีนนำอามามาสอนให้เราปฏิบัติเป็นนื้อ a h m a เป็นความโปรดปารานของอัลลอ์ปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออาหารเครื่องดื่มออกซิเจนที่เราหายใจอยู่นี้ ก็อาลาให้มาโดยไม่ได้ค so ิดบัญชีของเราแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นเนี้อหมัดจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุภานัวะตาลาต่อมาเจอที่64ว่ามันอา ظلم ิมมันิฟตราะละ ل ัลลอฮีคดิบะ أو كذب بالحق لما جاءه ا ل َِّ س َ ف ِ ي ج َ ه َ ن َ م َ م َ س و َ ل ل ّ ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن َ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ อาไลซาฟิจันนามัสวัลลิลก affairs อรธรรมดูลิลอาญาณี่ดีมากครับพูดถึงเรื่องว่าถ้าไม่รับอิสลามเนี่ยถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์องเดียวนะถ้าไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดนี่นะจะเป็นยังไงอ่าดูนะ لم, ว่ามันอัสลามอัสลามแปลว่าอาธรรม ที่สุดอาธรรมที่สุดเล็วที่สุดบาปที่สุดอัสลัมพูดได้หมดอธิบายได้นะแต่ว่าอาธรรมที่สุดเล็วที่สุดนะครับแย่ที่สุดว่ามันและใครเล่าที่จะอาธรรมนะครับมากไปกว่าคนที่มิมมันผู้ที่อิฟตารอแปลว่ากุความเท็จปั้น ปั้นเรื่องเท็จปั้นเรื่องเท็จโกเรื่องเท็จเรื่องมันไม่มีแต่พยายามปั้นเรื่องนี่นักการเมืองจะมาแล้วจะมาืมแล้วก็หลอกกันไปหลอกกันมาก็ปั้นเรื่องเท็จอะไรเราไม่แตะการเมืองใช่ไหมวะมันอัสลามุมิมมานิฟตออัลลอฮิคาดิบะ และผู้ใดเล่าอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กุเรื่องเทศอัลลอฮ์ลอยกับอัลลอฮ์กาดิบาความเทศกุเรื่องเทศใส่อัลลอฮ์ะอะไรรู้ป่ากุเรื่องเทศใส่อัลลอฮ์ะอะไรรู้ไหมบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกชายมีมีบุตร ในตองการที่จะบอกถิงห้องเราเหมือนกันใช่ไหมที่ไปเคารพนบีอีสาเป็นอะไรนะเป็นบุตรของอนะัลลอ์น่ะนั่นเองกำลังโกหกต่ออัลลอ์เลยแรงมากครับอัลลอ์ไม่พอใจเนี่ยอุลมะอธิบายนะแต่งตั้งนบีอีสาเป็นลูกอัลลอ์แล้วก็ให้นางมัตยามเป็นภรรยาอัลลอ์บาปอย่างแรงเลยเนี่ยความเทศใส่อัลลอฮ์สุบฮานะหุวาซาลาอย่าทำ พ่อเอ่านกุณอ่านใช่ไหมคุูฮุบัลลอฮฺอาฮัดอัลลอฮมีองค์เดียวลำยาฤทิ์ว่าลำยูลัดอัลลอฮไม่มีลูกอัลลอฮไม่มีพ่อแม่ว่าลำยาคุลล้ฮูผููุ้ันอาฮัดและอัลลอฮไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์ سبحانه และก็อัลลนี่ต้องการที่จะบอกให้พี่น้องเรากลุ่มหนึ่งที่ไปเคารพนับถือนบีอีซาว่าเป็นลูกอัลลอฮ์นะเลิกคิดได้แล้วนะครับ ว่ามันอาจจะเล่มมันนิฟตาร์ลลอนิฟต า, าฟรา์าอลัลลอฮ์อย่างีแบบและวผู้ใดล่าจะอาจรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กุกการเท็จต่อ AH อัลลอฮเอาการซาบบิลฮักต์หรือว่าโกหกต่อความจริงว่าความจริงที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกอะไรบ้าง อิสลามเนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคุ ร, ร, นรนานเป็นเรื่องจริงใช่ไหมนบีมุฮัมมัดมีจริงใช่ไหมวันกิยามัดมีจริงใช่ไหมตายแล้วฟื้ น, นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมฟื้นแล้วต้อนไปยืนอยู่ตอนนั้นอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะสอบสวนเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สำหรับคนที่ทำความดีแล้วมีการลงโทษคนที่ทำความชั่วเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ปฏิเสธว่าโกหกอย่างนี้เป็นต้น ด้านปฏิเสธอิสลามนันถือว่ากัรซาบบิลฮักเกอเอาของจริงๆเป็นเรื่องโกหกนะครับเอาของจริงๆที่มาจากอัลละ์เป็นเรื่องโกหกทำบาปอย่างแรงเลยครับอาจารย์นั่งเป็นองนะเอาต่อมาครับละ ม, มาจาฮูเมื่อความจริงนั้นได้มาหาเขา ไอ้ความจริงที่พามาเนี่ยใครเป็นคนพามาอธิบายได้ไหมท่านนาบีมุฮัมมัดนาเอาเรื่องจริงเนี่ยมาสอนสอนตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังไม่เลิกสอนนะ่ะแล้วก็สอนจนกว่าจะถึงวนันเตียมาอย่างนี้เป็นต้นครับหลักการอิสลามจะเป็นหลักการที่ถูกต้องที่สุดและเป็นเรื่องจริงที่สุดไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกมันกาเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็คือโส ด, ด้ด้วยหมดุลละ เอาต่อมาครับอลไลซาฟิจฮันนามัสวัลลิลกาฟิรินเป็นคำถามครับอัลไลซาไม่มีหรืออ่าเป็นหรืออัลไลซาแปลว่าไม่มีหรือ ฟีจัฮันนำฟีแปล ว, ว่านายจัฮันนำแปลว่านรกในนรกเนี่ยไม่มีหรือมัสวาแปลว่าที่พักที่อาศัยมัสวาแปลว่าที่พักที่อาศัยอลัลลอฮ์ถามนะที่พักที่อาศัยในนรกไม่มีหรือสาหรับใครครับลิลกาฟีดีสาหรับคนที่ปฏิเสธความจริง คนที่ไม่เอาอิสลามปฏิเสธความจริงไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาสุนานะนาบีไม่ยึดนบีมุฮัมมัดเป็นแบบแล้วก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นไม่เชื่อว่ามีวันเตียมะไม่เชื่อกรบกร ด, ดของอัลลอฮ์เอาความจริงมาพูดว่าเป็นเรื่องโกหกที่อยู่ของคนเหล่านี้ไม่มีในนรกหรือนี่อ AH. ัลลอฮ์ถามดีไมทำนรลาถามดีมากเลยเราทำนรีลา มาดูคําอธิบายกับไอของจริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างอัลฮักกูเนี่ยมีมีอะไรบ้างหนึ่งอัตเตาให้การยืนยันในอัลลอฮ์องเดียวเป็นเรื่องจริงครับอย่าอุลัยอธิบายนะหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องเองตาให้สองเรื่องคุรานเป็นเรื่องจริงคุรานที่ที่ท่านเป็นว่างกลาลังอ่านอยู่ที่เราอ่านอยู่เนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมด และทุกอาญาเนี่ยรู้ด้วยนะว่าลงที่ไหนลงที่ไหนลงให้กับใครรู้หมดเลยแล้วหมเดือดริล ะ, ลละเอาต่อมาครับมุฮัมมัดมาจริงหรือไม่จริงจริงครับและเป็นเรื่องจริงแล้วก็นบีอุมมัเป็นนบีคนสุดท้ายจริงไหมหลังจากนบีอุมมัดจะนบีมาอีกไหมไม่มาแล้วหมดแล้วนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดถ้าไปปฏิเสธมุฮัมมัดว่ามาใช่เป็นนบี ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีหรืออัลลอฮ์มีหลายองค์อะไรก็ตามแต่ผิดหมดเลยครับพี่น้องนี่แหละที่พมนักนะครับในนรกมีไม่ไม่มีหรือสำหรับคนที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นี่อัลลอฮ์ลงโทษแน่ๆนะครับแต่ถ้าใครกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยดีไหมอัลลอ์ อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้อุลามะอธิบายนะประวิงเวลาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องอิสลามแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวมาสนใจอัลอิสลามแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซะก็จะปลอดภัยจากการลงโทษนะครับหลังตายอัลฮัมดูลิลลาฮ์ตัวลงว่าที่พมนักในนรกเจะมีไว้สําหรับผู้ปฏิเสธสามเรื่องนะ ปฏิเสธเรื่องเตาเฮต์ไม่เรียนเตาเฮต์นี่ก็ผิดนะสองเรื่องกุรานสามเรื่องนบีมุฮัมมัดสลุลลัลอาลัยฮิววาสัลลัมทีนี้เล่าเรื่องนรกนิดหนึ่งนะในนรกนี่อัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้รูเ้เปล่าซาลาสิลอว่าโซ่โซนธรรมดาเขาก็ใส่กับกับช้างใช่ไหมละ่ะ แต่สำหรับคนที่ปฏิเสธสามรายการนะปฏิเสธเรื่องเตาฮิตปฏิเสธคุรานปฏิเสธนอบีมุฮัมมัดนะถูกโซ่โซ่ทำไรนะคล้องอคอเขาอันที่สามอักลาลมีปลอกคอด้วยปลอคอทำด้วยไฟนะออนร้อนหนักครับข้อที่สามสายรอนไฟลุกโทษช่วงนี่เป็นการลงโทษ ของชาวนารกที่ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีอย่างเงี้ยถูกลงโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานหูวตะต่อาอ่ะอทีนี้ชีวิตบนโลกบนโลกดุนยาไปนี้เนี่ยนะคนที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้อย่างห น, น, นึ่งก็เพลินน่ยเพลินไหมเพลินอกุรอานตรงไหนครับ الَلَّذِينَ ظَلَّ زَعِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَّةَ าَ ا ل َّ ذ นน ن َ ظَلَّ ز ้ ع ِ ي ُّ ه ُ م ْ فِي ا ل ْ ح َลَ ا ة ِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ ي ُ ح ْ س ِงครับ ไอ้ที่หลงเนี่ยหลงพื่อชัยตนต่างหาก ล, ะาล่ะอันเราเปิดเปิดเอาไว้อ่าถ้าใครไม่เอาฉันก็ไม่ว่าใช่ไหมละ่ะไอ้เขาสบายมีความสุข ก, กับเพลิดเพลินกับของที่เขาทำนั่นแหละบาปนะเช่นรูปจเวศอย่างมีเป็นต้นทําดินาดื่มเหล้าเล่นการพนันมันเพลินจริงๆนะแล้วก็เขาคนนึกว่าเขาจะอยู่ในคุ้นทางที่ถูกต้องแตที่ไหนได้นั่นคือความหมายนะบ้านปลายคืชีวิตเก่า อาต่อมาอายาศูนท้ายนะครับพี่น้องนี่ก่อนจะอธิบายอายาศูนท้ายนี่ยขอถามท่านพี่น้องว่าไอ้ความร่ำรวยที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอัลลอฮ์รักฉันความร่ำรวยใช่ไหมมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยหลายคนคิดว่าอัลลอฮ์รักฉัน ให้เงินเยอะๆอัลลอฮ์รักฉันถามว่าคิดผิดหรือคิดถูกคิดผิดครับคิดผิดผมลืมเล่านะเป็นอย่างนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยจิบรี ล, ลงมาหานาบีมาตอนเช้านะมาเล่าว่าลูกสาวนาบีนะหญิงฟาติมานะได้ไปสวรรค์นะ แล้วก็เล่าว่าฮัสซันฮุเซนนี่นะเป็นชาวสวรรค์นะแล้วก็เล่าอี ก, อกหลายคนบรรดาสาว บ, บ้านนบีเยอะแยะเป็นชาวสวรรค์หมดพออีกสี่ห้าชั่วโมงนบีไปเยี่ยมไปเยี่ยมลูกสาวนบีท่านหญิงฟาติมพรพยาชนาลีนะ่พอไปเยี่ยมที่บ้านเนี่ยนบีพาแขกไปด้วยพอไปครอบประตู บอกพ่อจะมาเยี่ยมลูกเพราะว่าอย่างนี้แต่ยิ่งปฏิมาบอกไงถ้าไเข้าไม่ได้เพราะว่าปติมามีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวผ้าคุมพิญาาไม่มีเมื่อตอนเช้าเนี่ยยิบรี ล, ลงมาบอกว่าลูกสาวนาบีเป็นชาวสวรรค์อีกห้าหชั่วโมงต่อมานาบีไปเยี่ยมลูกสาว ลูกสาวบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้จะพาแขกมาเพราะผ้าคุมทิ่ดาบไม่มีคนเป็นชาวสวรรค์จนเหรอจอมการจะถามตรงนี้ไอ้จนรวยไม่ใช่เป็นชาวสวรรค์จะต้องรวยหมดไม่ใช่นะนั่นลูกสาวนาบีน่ะผ้าคลุมที่ดาบไม่มีนะ่ะนบีก็เอาผ้าที่นบีพามาผ้าสาลาแมนดะ์ะเอาโยนให้ นางก็คุมวิยาปิดหน้าปิดตาเรียบร้อยนบีก็พาแผลเข้าไปนบีก็ไปถามลูกสาวปาติมาไม่สบายนบีถามว่าลูกเป็นอะไรอ่ะลูกสาวนบีตอบว่าพ่อรู้ไม่ได้กินอาหารมาสวันแล้วกินแต่อินทรพลำนะ้ำน้ำา้ น, นบีก็บอกว่าฟาติมาเอ้ยพ่อเนะ่สามวัน ลูกแค่สองวันเองพ่อนะสามวันแล้วมาด้กินอาหารนั่นคนที่อัลลอ์รักเห็นยังครับทำไมอัลลอ์ทดสอบล่ะด้นการทดสอบจากอัลลอฮ์พี่น้องอย่าโวยวายนะถ้าว่านาบีเน่มาทานอาหารมาสามวันถานนบีอยู่ได้ไงอยู่ได้อินพรรมกับน้ำกำยำ <Allah. S 1> ทำไมอัลลอ์ทดสอบอ่ะ แล้วก็น บ, บีพอใจไหมน บ, บีพอใ จ, จาการทดสอบของอัลลอฮ์สุบฮานอลาเราพอใจเป่าวเราน่ยพอใจตอนอัลลอฮ์ให้รีสกีใช่มหมเวลาให้มีปัญหานิดหน่อยอัลลอฮ์โวยวายอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทําไมเลขอัลเงอย่างงี้มีปัญหานหาน่อยมีเงินขาดหน่อยโวยวายนั่นชีวิตชีวิตเราเนี่ยต้องนึกถึงซุนนะน บ, บีเยอะๆเนี่ยผมประทับใจเรื่องทาง อ่าดูโกยไอสิ่งพิธีมันะ่งเน่ยมันจะกินอาหารมาสองวันแล้วไม่สบายนาบีว่าพ่อนะี่ยสามวันเห็นอย่างครับดังนั้นการทดสอบของอนะัลลอฮ์น่ะมา ก, กับคนดีด้วยมันจะมา ก, กับคนไม่ดีถ้าโซนยญ่ลงกับคนดีหมดเลยอะ่ะคนที่อีมานอัลลอฮ์จะมาท้าวเวลาคนที่อ่านคุณอ่านซิกอัลลอฮ์เนี่ยก็ท ด, ทดสอบหมดเลยแล้วเป็นไงครับ คนเหล่านี้น่ยไม่มีใครโวยวาสักคนหนึง่งทำโดยเลยละนี่เป็นทางเดียวสำหรับคนที่ยึดสุนานะนะบีก็ถูกทดสอบบรรลุดุงญานี้เขาอยู่แบบสำงานหามจริง ๆ, ๆนะครับถาม ว, าว่าพอใจไหมล่ะพอใจเอาต่อมาอายะสุดท้าย <S <S วัลละวินาจัดูฟีนาลานัดีอันนาหุมสุบุลานา و อ uh ินนัลลอฮะลาَะล sí ิมุฮَิน ج นวละดُนาจาห์ดูฟิَาล ل หَّดَยَนนะฮุมُُุุลลานะวออินนัลลอฮะลา ل َลิมุฮซินินْ l h a m d u l i l l م h อายะสุดท้ายของสุรานกบูตอายะนี้ดีมากเลยครับ อัลล์ประกันคนที่อยู่กับอัลลอ์อ่าประกันเลยนะคนที่อยู่ในาศาสนาของอัลลอฮ์นี้อัลลอฮ์จะประกันชีวิตของเขาไม่ใช่สบายอย่างเดียวนะมีลำบากแต่ว่าบ้านปลายสบายหมดเลยครับเริ่มบ้านปลายเริ่มอะไรเริ่มตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างพอวิญญาณออกจากร่างนะครับเขาพบกับเรื่องดีดีดี ด, ด, ดีหมดเลย แต่อยู่บนดุงยานี้นะมีปัญหาเจ็บไข้เดรุยป่วยเงินทองน้อยถูกดา่าถูกฟิชธนาถูกใส่ร้า ย, ายถูกรังแกเห้ยไหมแต่คนหลังตายเป็นไงครับอัลลอฮฺอะบดรลสบามจิจีอัลลอกฺอุลแอมวันใีนะ่าจาฮะดูจะฮดะจาฮะดาจาฮะ ด, ดูแปลว่าดินนด้นรนดิ้นรน ต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ฟีนาในหนทางของเราในหนทางของเราในหนทางของอัลลอฮ์ใครที่ดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ที่มานั่งฟังตัเซียเนี่ยต่อสู้หรือบปลต้องฟื้นอารมณ์ไหม ทาไม่ฝืนก่อนนอนหลับ ก, กันหมดแล้วนี่ฝืนอารมณ์หมดเลยครับลุขึ้นนำมาตัดยุทฝืนอารมณ์ไหมอัลลอฮฺอัลบัคุมฮิญาบ ป, ปิดนู่นปิดนี่ฝืนอารมณ์ทั้งหมดเห็นอย่างครับเห็นนั้นวัลละวนาจฮะดูฟีนาส่วนบรรดาผู้ที่ดิ้นรนต่อสู้ในหหนทาง ของเราคืนหลักการอิสลามที่ผ่านนาบีมุฮัมมัดทุกข้อที่นบีนํมมามาสอนนี่นะนบีก็ j า h a d u นะเอานาบรีรับอิสลามแล้วก็เผยแพร่อิสลามเนี่ยา a h a d u ไหม j า h a d u ต่อสู้ดินน้นรนถามว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยครับแล้วก็ลุงลุงนบีนะเอานาบีเปล่าไม่เอานาบีครับต้องส่อสู้ไหมต้องต่อสู้ดินน้นรนแล้วก็ถูกด่าด้วย ต่อสู้ไหมเคยโต้อตอบไหมไม่เคยโต้อตอบนี่ต่อสู้ไหมต้องเยียบอารมณ์เยอะมากเลยกัะนั้นคนที่ทำงานศาสนาแล้วก็เอารูปแบบของนบีมาใช้ต้องเหยียบอารมณ์ไม่โต้อตอบไม่ด่าตอบเป็นไงครับลานาดิยานนาหุมตรงนี้ก็หนันไปเป็นคำประกันแล้วลานาดียานนาหุมแน่นอน เราจะนำทางพวกเขาสู่ทางสุบูลนาสู่ทางของเราเราจะนำพวกเขาทั้งหมดนั้นสู่ทางของเราสู่ทางอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลามีประกันยางประกันแล้วครับคนที่ต่อสู้รุ่นลิ้นร น, นในคทางของอัลลอ์เราจะประกันเขาให้อยู่ สู่นำทางพวกเขานำพวกเขาสู่ทางของเราอัลลอฮฺมาอยู่กับฉันม า, มาดูแลให้หมดเลยไงประกันชีวิตด้วยแต่ต้องนำมาหน้าน บ, บีสอนอะไรบ้างนำมามาใช้ให้หมดหนึ่งนำมาครบหาเวลาสองอะไรบ้างครับสุนัตกอบริยาบาดียารักษาให้หมดสามเวลามีเงินเป็นไงครับ ต้องบริจาคอะไรบ้างหนึ่งสกาดสองสดกกอสามพดียาสี่ว่ากับต้องทําตามสวบ า, าบานะบีที่ทําไว้ที่รุ่นกน่อนๆก็ทําทำไว้เดินตามพวกให้หมดเลยเอา้าวนบีบอกว่าสอนให้สวาบานตื่นงอนก่อนนมาสุบหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็นบีตื่นไหมตื่นถามว่าเหยียบอารมเท่าไหร่นาฬจาดูอีก แล้วก็สว้สาวานบีตือนกันหมดหนึ่งชั่วโมงก่อนนมาสบอ้ะแถวมาเหยียบอารมณ์มาเหยียบครับเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนที่ต่อสู้ดิ้นรนในหัทางของเราเราก็จะชี้นําเขาสู่ทางของเราเลยอัลฮัมมันจะประกันชีวิตขเขาแล้วแล้วสบายไหมอัลฮัมมุลิลัยละอย่าลืมนะทิ้งอัลลอฮ์ไม่ได้นะถ้าทิ้งอัลลอฮ์เราจะเปรสป่าเลยไปทั่วเลยไม่มีทางนาของชีวิต ถ้าอยู่กับอัลล์เนี่ยมีทางนางสำหรับชีวิตชัดชัดเจนนบีมุฮัมมัดให้รูปแบบไว้ซอบ้านนบีก็ทำรูปแบบมาว่าอัลฮ์ห้มดลชัดเจนแล้วก็ต่อมาครับว่าอินนัลลอฮแต่ แ, แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยละมาะละมาะแาว่าอยู่กับมาะแปลว่าวิสอัลลอฮ์จะอยู่กับใครครับ อัลมูฮซินีนผู้ที่ทําการดีทั้งหลายมันนั่งอยู่ในมัสยิดเป็นการดีอัลลอฮ์อยู่กับคนเหล่านี้ทีนี้อัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์อยู่อธิบายยังไงครับ Allah, อัลลอฮ์ช่วยอช่วยอัลลอฮ์มาช้าผมตื่นตอนเท่าไรหร่แล้วสี่สิบห้านาทีก็ก่อนก่อนอาจารย์ชมวงมีโคดิน มันก็มาคืนนอนดึกกำลังนำมาอยู่นะจามเพราะจามหายหมดเลยอ่ะผมนึกเลยอ๋อเนี่ยประธาเมตการให้เราจามชิคสามสี่ทีนะอ้ห้ามดูเลยลแข็งแรงเลยเยังครับเนี่ยอลัลลอฮ์ช่วยอ่ะถามว่าจามมาจากไหนจามเองได้เหรอถ้าอาลัลลอห์ไม่ไม่กำหนดมาจามไม่ได้ไปเนอะ ทำดูลีลาเนี่ยเต้องสังเกตนะวันนี้อา ม, มันที่เอาล่อให้กับเราเนี่ยแต่ละยางแต่ละยามเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยแข็งแรงทำงานศาสนาต่อไปนะอย่าลืมการจาเนี่ยเป็นความดีใช่ไหมได้วกลกาว่าไงไอฮัำดูลีลาไอ้หาๆนี่ดีไหมล่ะหาาไม่ดีนะไม่อยากจะนอนหาากับจามีมาที่เอาล่อให้ก็เจนนะคนที่ลุกขึ้นตอนดึกๆนะ มาอ่านคุณอ่านมาดื่มรุลนระ้อนนะอัลลอฮ์จะให้จามพอจามแล้วเนี่ยมันคาร์เดอร์ฟรชอะไรเน่ยโอ้โหโล่งหมดเลยนี่มีความเมตตาของอัลลอฮ์สุธานนะารับนี่พวเรานั่งในมัสยิดจะฟังอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดทางเราเนี่ยโอ้ให้เข้าใจสุนนนะเบสะหนึ่งข้อหรือสองข้อนะครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เราไม่รู้อัลลอฮจะให้อะไรเรากรับเอาต่อมาครับ วัน ด, ดีนะจะฮหดูฟีนาะเขาอธิบายยังไงไปนองกับอธิบายอย่างนี้คนที่ดิ้นรนต่อสู้ในหุ้นทางของอัลลอฮ์เนี่ยนะเช่นไปออกสงครามหนักไหมออกสงครามนี่หนักนะแต่บรรดาซอบานนาบีเขาผ่านชีวิตมาหมดแล้วอ้าวลุงท่านนาบีถูกฆ่าตายใช่ไหมใช่ถูกผ่าอกใช่ไหม นางหินเนี่ยอ๋อหล่ไม่เบานะและครับอิสลามที่หลังนะหลังจากพาโอกคำยาแล้วเอาตับมากินแล้วครับอิสลามนาบีว่าอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธอบ่อยนะหลบๆไปหน่อยเพราะเห็นหน้าเธอแล้วนึกถึงลุงที่เธอพ่านะท่านครับเนี่ยถามว่าอย่างนี้ก็ต่อสู้ไหมต่อสู้นะคุณถามขออัลลอฮ์แบบหนักๆที่สุด ลุกขึ้นนำมาตัฮัจยุสก็ต่อสู้นะพทางค์ของ Allah พี่น้องเราด่าเราว่าเราไม่โต้อตอบไม่ต่อสู้บัสทธางค์ของ Allah ทั้งหมดเงินทองน้อยแบบนบีวาไงนะพ่อมาได้กินมาสาวันลูกสาวแค่สองวันเองนี่กระจาดูถ่าจะเรียกเงินเนี่ยได้หรือไม่ได้นบีอะได้ถ้าทํำไมไม่ทําอะอย่างี้เป็นต้นนะนบีไม่เคยตามใจลูกนะก็ขอฝากพวกเราด้วยนะ นบีไม่เคยตามใจลูกหรอกครับอ่านแล้วเล่าตัวนี้เลยก็ได้เมื่อท่านนบีทำสงครามแล้วชนะสงครามมาแล้วก็ฟาติมาลูกสาวนาบีกับไซนาอาลีมหานาบีบวกพอคุณพ่อหนูเนี่ยทำงานบ้านเหนกมือแข็งหมดแล้วเหนื่อยหมดแล้วขอคนงานมาช่วยที่บ้านหน่อย นบีก็มองออกนบีว่าลูกเอ้ยพอจะให้ของที่ดีกว่าเอาไหมสองคนเนี่ก็หูพึงเลยเอาสิคุณพ่ออะไรก็้ไมก่อนจะนอนให้กล่าวสุบฮนานอลลสามสิบสามครั้งสุขฮานอลลสามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาสามสิบสามครั้งอัลลอฮวาบัตสามสิบสามครั้งเห็นยังครับนบีตามใจลูกเปล่าไม่ใช่ตามใจแต่ว่าให้ ให้ไรสุภาณนลออ ก, ก่อนตายนี่นี่นะ่นนะดีกว่าดีกว่ามีคนใช้ที่อยู่ในบ้านของลูกัยนาลี ก, กับฟาติมาเดินกลับบ้านสองคนก็คุยกันเราเนะี่ยมาขอดุญยาขอคนงานช่วยพ่อให้อะไรอคิครรอนั่นสุภาณนลออ ก, ก่อนนอนมีรางวัลตอบแทนจากอรลรดหลังตายเป็นอย่างครับ ตามใจลูกเปลานี่แหละคณิ ว, ว่ามูจาได้แล้วต่อสู้ในหะุ่นทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอัลละทอย่าตามใจลูกทุกเรื่องไปน้องบางเรื่องมันไม่ตามใจเลยแล้วถ้าลูกไม่นมานี่ไม่ตามใจอีกแล้วนี่เป็นข้อเตือนใจนะเอาต่อมาครับต่อสู้ในหุ่นทางของอัลลอฮฺนะออกทําสงครามแล้วก็อีกอย่างนึงควบคุมอารมณ์ตนเอง นี่อารมณ์นี่เป็นเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นอีลานะ่ะอารมณ์ดา่ามีไหมแต่เราไม่ดา่าโอ้โหควบคุมอารมณ์อลอัมดีแล่นี่นะต่อสู้ในหุณทางของอัลลอฮ์แล้วก็กลัวอลัลลอฮ์จะลงโทษแล้วก็ต่อมาครับมีเงินบริจาคในหุณทางของอัลลอฮ์นี่เป็นการต่อสู้ด้านการเงินโอ้โหทำดีแ ล, ล้วครับเอาต่อมาครับ ว่าอินน ل ลลอฮฺเลมองัลมุห์พซินินแต่แท้จริงอัลลอฮฺเนี่ยทรงอยู่พร้อมกับผู้ที่ทำความดีอธิบายยังไงอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือมีห a ด i s อธิบายอย่างนี้นะครับพี่น้องอายาเนี่ยนะท่านอาบีฮาติมฮัดดะซานะอาบีฮัดดะซานะอันิลมุกีรออันลชูอับัยก่าล่ ก่อนอิสาอิบนุมานจะมี a i s อธิบายนาะน บ, บีเล่าเองนะบอกว่าน บ, บีอิาลูกชายของนางมารยานะกล่าวว่านี่น บ, บีเอาคาพูดของไัยดนะของน บ, บีอซามาเล่าให้อุมมัของนบีมุฮัมมัดฟังว่าไงนะอินนมล์ซน ที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่กับคนที่ทําความดีทําความดีอธิบายอย่างนี้เอกสานก็คือทําความดีกับคนที่ทําไม่ดีกับท่านหนักหรือเบาฝืนใจครับนบีชอบภาษานี้ชอบการปฏิบัติแบบนี้เอาเรื่องของนบีอีสามาเล่าให้อุมาของนบีประมาทฟังให้สาบาฟัง คนดีคือคนที่ทําความดีกับคนที่เขาด่าเราพูดง่ายๆก็แล้วกั น, กนเขาไม่เอาเราอ่ะเขาด่าเราอ่ะแต่เราก็ทําดีกับเขาถขาบางงานหนักหรือ ง, งานเบาครับหนักทําได้ไหมเขาไม่เอาเราอ่ะเขาด่าเราอะแต่เราก็อสละมารายกูไปง้อเขาตลอดเวลาเลยทําได้ไหมมือที่สามมึงไปงก็ทาําทา มือที่สามเนี่ยนะครับไม่เราเสียคนน่ะไปง้อมันทําไมเอ็มก็รวยจะตายไปมีลูกก็หลายคนเงินก็เยอะ ม, มีนู่นมีนี่ไปง้อมันทําอะไรอัลลอฮฺไปเลยเอา้าไม่ง้อก็ไม่งอ้อลืมคําสั่งของนบีละฉะนั้นคนดีก็คือคนที่ทําดีกับคนที่ทําไม่ดีกับเราส่วนทําดีกับคนที่ทําความดีกับเราเนี่ยมันก็ทําเพื่อการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะ่ะ นั่นรางวัลก็มีเหมือนกันแต่มีไม่เยอะเท่ากับคนที่ทําไม่ดีกับเราเราติดต่อกับเขาไปเยี่ยมเขาส่งอาหารให้เขาคือน้องมีอยู่สามเรื่องนะก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกดุนยาแบบนี้อัลลอฮฺได้ทําสัญญากับวิญญาณเรานะนี่ถ้าคุณอานไม่เล่าเราไม่รู้นะทําทั้งหมดนะับแปลเรื่องแต่ผมจำ ม, มาสามเรื่องเรื่องทั้งทีหนึ่ง ทำสัญญาว่าอัลลอฮ์นี่เป็นรบเป็นผู้อภิบาลทำสัญญากันนะเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะวิญญาณเราเนี่ยนะเรื่องที่สองเราบอกกับอัลลอ์ว่าเราจะไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เรื่องใหญ่มากนะครับเราจะไม่ตั้งพาคีกับอัลลอฮ์าอารมณ์เราเนี่ยตั้งภาคีได้ไหมได้นะ เรื่องที่สามเราจะติดต่อกับเครือญาติไม่ทะเลาะกับเครือญาติั้งเอาแค่สามเรื่องนี้ก่อนนี่ก็หนักอึ้งอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าทำได้ดีไหมอัลฮัมดุลิลลายะตัดขากับเครือญาติเราสัญญากับเลาทาสัญญานะก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกดุรยางในี้ในอัลลัมอัลลอฮ พี่น้องครับนี่แหเขาเรียกว่าบุญญาฮาด้าและนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ฮะอัลลอฮ์ Allah จะอยู่กับคนที่ทําความดีช่วยเหลือคนที่ทําความดีไม่มีใครตกต่ำที่เราทําดีกับญาติพี่น้องกองเราเรายิ้มก่อนให้อาหารก่อนทักเขาก่อนไปเยี่ยมเขาก่อนเนี่ยไม่เคยทําให้ใครตกต่ําเลยไม่มีครับมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นชีวิตดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นดีขึ้นทําได้ไหมอินชออาอัลลอฮ์ จบสุระอังกบูตรนะครับสุระอะไรนะแมงมุมสุระแมงมุมเนี่ยสุหา่พูดอย่างอักีษได้เรียบทุกอายาเลยนี่ก็นักนะอายาสุดท้ายเนี่ยต่อสู้ในหุทธทางของอัลลอ์อัลลอ์ก็จะประกันชีวิตเราให้อยู่ในพุททางของพระองค์และอัลลอ์ก็จะช่วยเหลือคนที่ทาความดีสุฮานาะกะลอฮุมะบิฮัมดีกัสชาดุลเลออิลละอิลละอันตอัตัรกอตบุลัย